นี้ก็ขยายต่อไปว่าบทว่าพักวตาเนี่ยเขาขยายทีลศัพท์ทีรศัพท์นะครับถ้าเอาภาษาบาลีมาเนี่ยนะฉบับภาษาบาลีมาจะเห็นว่าเรียงทีละคำทีละคำทีละคาเท่านั้นเองอ่านี้พึงทราบอธิบายดังนี้ว่าบทว่าพักว่าเป็นคําเรียกบุคคลผู้เป็นที่เคารพเห็นไหมใครที่เป็นที่ตั้งแห่งความเคารพมากบุคคล น, นั้นเรียกว่าพักว่ เขบอกว่าเป็นความจริงคนทั้งหลายในโลกมักเรียกบุคคลผู้เป็นที่เคารพว่าพักวา่าเคารพใครที่สุดก็จะเรียกคนนั้นว่าพักวาว่า ง, งั้นเถอะและพระธถ า, าคตเนี่ยนะพระพุทธเจ้ า, าเนี่ยชื่อว่าเป็นที่เคารพของสัตว์ทั้งหลายเพราะพระองค์นี้ทรงวิเศษด้วยสรร พ, พคุณสัตว์ทั้งหลายก็เลยเรียกพระองค์ว่าพักวา่าเพราะเหตุนั้นเึงทราบ ว, ว่าพักวา่าแม้พระโบราณอาจารย์ทั้งหลายก็ได้กล่าวคําว่าคําว่าพักวาเป็นคําประเสริฐที่สุด นะพัวาติวจันังเศธถังนะครับพักวาเนี่ยเป็นคําที่ประเสริฐที่สุดเหมือนกันเนี่ยนะคำว่าพักวาเป็นคําสูงสุดเนี่ยนะครับพักวาติวจนันมุตตะมังนะสุดยอดของคําแล้วเหมงอนกันเถอะในการที่เราจะเรียกใครนะถ้าใช้คํานี้แสดงว่าสุดยอดแล้วนะ่ะถ้าเป็นทางโลกก็บอกว่าถ้าเชี่ยวชาญในวิชานี้เขาก็เรียกศาสตราจารย์ในเรื่องนี้ไปเลยนะแบบเชี่ยวชาญไปเงี้ยนี่ก็คือคําสูงสุดแล้วแล้วก็ พระตถาคตนั้นทรงเป็นผู้คู่ควรแก่ความเคารพคารวะด้วยเหตุนั้นขนานพนามว่าพระขวาอันที่จริงคำพูดที่ระบุถึงบุคคลผู้ประเสริฐที่สุดเนี่ยนะกล่าวกันว่าประเสริฐที่สุดเพราะดำเนินไปด้วยกับคุณอันประเสริฐที่สุดเราจะใช้กับคำว่าประเสริฐที่สุดดีที่สุดนี่เอาอะไรมาเป็นเครื่องวัดว่าเขาดีที่สุดตรงนี้ก็คือเพราะเขามีคุณที่ดีที่สุดเหมือนนเถอะ คุณที่ประเสริฐที่สุดอย่างพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคุณที่ประเสริฐที่สุดของพระ อ, องค์คืออะไรเนี่ยอาศัยคุณเหล่านั้นแหละมาเป็นเป็นสรรพนามเป็นชื่อเรียกพระ อ, องค์นะว่าพระขวาอีกประการหนึ่งที่ชื่อว่าวาจะนะวัจะนะเนี่ยพระอาาัาวะอันบุคคลกล่าวได้แก่ความหมายเพราะเหตุนั้นในบทว่าพระขวาติวจะนะังเศธถังจึงมีความหมายว่าความหมายใดที่จะพึงพูดด้วยคําว่าพระขวานี้ ความหมายนั้นอ่ะประเสริฐที่สุดเนี่ยนะอัตถะของคำเนี่ยดีที่สุดเหมนเถอะเพราะบุคคลที่พูดถึงมีคุณธรรมสูงสุดงงนอนน่แม้ในบทว่าพระวาิติว จ, จะนะมุตตมังก็ในนี้เหมือนกันเพียงแต่ว่าให้รู้ว่าเออคำนี้เป็นคำนี้ยกย่องกันนะเนะบทว่าคารวะยุตโตได้แก่ชื่อว่าทรงเป็นผู้ควรแก่ความเคารพคารวะ เพราะทรงประกอบด้วยคุณของบุคคลผู้เป็นที่เคารพพระพุทธเจ้านี้เป็นผู้ควรคารวะอย่างนั้นเถอดถ้าใครอยากจะคารวะใครนะพระพุทธเจ้าควรคารวะที่สุดในบรรดาคนทั้งหมดหรือสัตว์ทั้งหมดไหมว่าจะเป็นเทวดาพรหมทั้งหลายแล่เนี่ยนะพระพุทธเจ้าควรแก่การเคารพมากที่สุดเมื่อเทียบกับคนจํานวนทั้งหลายเหล่านั้นถามว่าทำไมพระองค์จึงควรแก่คารวะขนาดนั้นเพราะ มีคุณมีคุณธรรมนะศีลธรรมที่คุณเป็นต้นนะ่ะที่ควรแก่การคาระวะอย่างหนึ่งในอย่างสําคัญที่สุดก็คือเมื่อคาระวะพระองค์แล้วก็เพื่อเป็นเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขโดยถ่ายเดียวนะไหว้คนอื่นอาจจะไม่ได้ประสบความสุขขนาดเท่ากับไหว้พระพุทธเจ้าว่างั้นนะอีกประการหนึ่งพระตถาคตชื่อว่าทรงควรแก่ความเคารพนี่นะ ควรแก่ความเคารพก็เพราะเหตุที่ทรงควรซึ่งการกระทําความเคารพอย่างดียิ่งเนี่ยนะคือหมายความว่าทรงควรแก่ความเคารพคู่ควรแล้วเนี่ยนะคู่ควรที่จะกราบคู่ควรที่จะไหว้คู่ควรที่จะเชื่อฟังคู่ควรที่จะประพฤติปฏิบัติตามเนี่ยนะเมื่อเป็นเช่นนั้นคําว่าพรวานี้จึงเป็นคําเรียกบุคคลผู้วิเศษโดยคุณนะคือมีคุณธรรมที่วิเศษมาก ไม่ว่าจะเป็นศีลสมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติยานทัศนะเนี่ยคุณธรรมเหล่านี้วิเศษจริงๆบุคคลผู้สูงสุดกว่าสัตว์เนี่ยนะแล้วก็เมื่อเทียบกับสัตว์ทั้งหมดนะพระพุทธเจ้าเลิศที่สุดและเป็นบุคคลผู้เป็นที่เคารพคาระวะเนี่ยนะ เป็นที่เคารพเมื่อเทียบไปแล้วพรหมก็เคารพพระพุทธเจ้าเทวดาทั้งหลายก็เคารพพระพุทธเจ้ามนุษย์ทั้งหลายก็เคารพพระพุทธเจ้าพระเจ้าแผ่นดินเป็นต้นก็เคารพพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นพระองค์งเป็นผู้ที่เคารพคาระวะวานอันนี้คือเน้นคําว่าคําว่าพระคาวาเนี่ยหมายคำว่ายังไงในอัถเรกก่อนนะว่าเป็นคําที่สูงสุดนะนะเป็นคําที่ประเสริฐที่สุดใช้คํานี้นะคำนี้ไปใช้กับใครคนนั้นแสนดงว่าดีจริงว่างั้นเถอะแล้วก็เพราะ มีคุณธรรมคู่ควรแกการคาระวะก็เลยเรียกว่าพักขวาอีกประการหนึ่งเพึงทราบความหมายของบทว่าพักขวาตามนัยะที่มาในคำพีนิเทศคือคำพีที่ภาษาริบุตรนิเทศเอาไว้นะคำพีมหานิเทศว่าพระพุทธเจ้านั้นบัณฑิตขนานพระนามว่าพักขวาเพราะเหตุที่พระองค์ทรงมีพัาธรรมอย่างหนึ่งนะพระองค์มีปกติเสพพั่าธรรมหนึ่งทรงมีภาคธรรมหนึ่ง ทรงจำแนกแจกแจงพระธรรมหนึ่งทรงทำลายนามรูปหนึ่งทรงเป็นที่เคารพหนึ่งทรงมีภาขยะธรรมหนึ่งทรงมีพระองค์อบรมดีแล้วด้วยญาญธรรมจำนวนมากหนึ่งทรงถึงที่สุดแห่งพบหนึ่งเนี่ยนะอันนี้ก็คือความหมายของคำว่าทัควาอันนี้ก็โปรดดูได้ในวิสุทธิมรรคนะครับรายละเอียดในส่วนตรงนี้นะ หรื อ, อคําว่าพักวาที่เขามาชื่นชมก็ด้วยอํานาจแห่งคาถานี้ว่าเพราะเหตุที่พระพุทธเจ้าทรงมีภาคธรรมหนึ่งทรงมีพักธรรมหนึ่งทรงประกอบด้วยพักธรรมหนึ่งทรงจําแนกแจกแจงธรรมะหนึ่งทรงมีคนพักดีหนึ่งทรงคายการไปในพบทั้งหลายหนึ่งเพราะฉะนั้นจึงได้รับขนานท่านามว่าพักว่า ก็ความหมายนี้นั้นได้กล่าวไว้แล้วในพุทธานุสตินิเทศในวิสุทธิมักอย่างครบถ้วนนะข้อความทั้งหมดข้อความทั้งหมดที่กล่าวไปเมื่อกี้เนี่ยนะก็ดูได้ในวิสุทธิมักนะครับส่วนในรายละเอียดนั้นตรงนี้ท่านกลัวจากพิสดารเกินไปท่านจะไม่เอามานะครับ <Yeah. S 1> เนื้อหารายละเอียดลึกซึ้งมากนะครับจะเอาอประเด็นที่ในวิสุทธิมักไม่ได้กล่าวมาพูดนะครเพราะเหตุ น, นั้นนักศึกษาพึงทราบ ตามนัยยะที่กล่าวไว้ในวิสุทธิมรรคนี่นั้นเถิดคือในอนุสตินะครับในพุทธานุสตินิเทศในสมาธินิเทศวิสุทธิมรรคนะครับทีนี้ความหมายที่พระธรรมปาละต้องการเอามาเสริมมาเน้นให้เด่นชัดอีกอีกกลุ่มหนึ่งของคําว่าพักวาคือความหมายของพักวาอีกนัยยะหนึ่งนะครับพระนามว่าพักวานี้เพราะหมายคำ ว, ว่าทรงมีภาคธรรมภาคะตรงนี้แปลว่ามีส่วนแห่งธรรมะนั่นเอง ข้อต่อไปก็บอกพระนามว่าพักาวาเพระหมายควาว่าผู้อบรมพุทธกระกฐธรรมคือทรงอบรมธรรมะที่ทําให้เป็นพระพุทธเจ้านะครับอีกความหมายหนึ่งว่าทรงเสพภาคธรรมอีกความหมายหนึ่งพระองค์ทรงเสพภาคธรรมอีกความหมายหนึ่งทรงมีคนพักดีอีกความหมายหนึ่ ง, ทร ง, มมงทรงคายภาคธรรมอีกความหมายหนึ่งก็คือทรงคายภาคธรรม พระคัธากับภาคัธรมเนี่ยมีความแตกต่างกันบ้างดงนั้นในเจความหมายนี้จะอธิบายละเอียดต่อๆไปนะครับอันนี้ท่านตั้งเป็นหัวข้อให้สะดวกต่อการจงจําก่อนหลักการอ่านคัมภีร์หรืออ่านอัตกถาเนี่ยนะครับพยายามสังเกตนะข้อความตรงไหนที่เข้าใจยากๆนะตรงนั้นอ่ะเป็นหัวข้อของท่านนะครับอย่าเพิ่งหาดีหาชั่วตรงนั้นเลยท่านขึ้นหัวข้อให้เราเฉยๆเหมือนกับประเด็นที่จะเอามาพูดนะนะ ท่านก็เรียงประเด็นเรื่องก่อนหนึ่งสอามสห้าแล้วท่านจะขยายหนึ่งสอสามห้าท่านขยายจบแล้วจะขึ้นหัวข้อใหม่แล้วจะขยายตามนั้นครับนี่คือหลักการเรียบเรียงของพระอัตถคถาจารย์หรือดีกาจารย์สมัยโบราณนะครับคือจะไม่พูดไปเรื่อยนะครับจะตั้งหัวข้อก่อนแล้วพูดจบประเด็นนั้นตั้งหัวข้อใหม่แล้วพูดนะจบหัวข้อแล้วตั้งประเด็นใหม่พูดจะเป็นลักษณะนี้หรือว่าตั้งไว้หลายประเด็นก็จะขยายตามแต่และประเด็นที่ท่านตั้งไว้นะครับนี่คือหลักคัมภีของท่าน ทีนี้ท่านก็จะอธิบายทีละความหมายเลยอย่างความหมายที่หนึ่งว่าทรงมีภาฆ่าธรรมเนี่ยนะอธิบายว่าพระพุทธเจ้าทรงพระนามว่าพระขวาเพราะความหมายว่าทรงมีพาฆ่าธรรมเนี่ยถามว่าเป็นอย่างไรอันนี้ท่านถามท่านจะตอบเองนะครับเป็นกระเทือกกรร ม, มยตาปุจชาถามเพื่อจะตอบเองเราไม่ต้องช่วยท่านหรอกครับเพราะท่านแตกฉานอยู่แล้วแต่ท่านก็ถามถามเรียกเรียกอะไรนะ กระตุ้นให้ ส, สนใจแบบนั้นเถอะถ้าตั้งเป็นคำถามปั๊บเออเ ร, เรานึกอยากรู้นะท่านก็เลยพูดตรงนั้นเราจะจําได้ดีแต่ถ้าท่านพูดไปเรื่อยๆนะครับโอ้ยหาตั้งรู้กี่เหาแต่ท่านท่านถามเราบ้างอะไรบ้างมันสะดุดใจนะครับอเอออ่าน่าจดจําเป็นต้นเพราะฉะนั้นท่านถามเพื่อจะตอบท่านเองแนหะท่านรู้ว่าเราตอบไม่ได้ถ้าถ้าท่านรู้ว่าเราตอบได้ท่านจะมาถามทําอะไรนะครับแต่ทีนี้ท่านถามเพื่อจะตอบเองแต่บางคนไม่เข้าใจก็รีบตอบไปเลยนะครับ ตอบเองเปอร์เซนต์ผิดนี่มันสูงว่าปัญหาบางอย่างเขาตั้งไปจะตอบเองนะครับเขาเลยถามว่าเออความหมายว่ามีภาคธรรมเนี่ยเป็นอย่างไรคือพระองค์เนี่ยมีกองทำภาะตรงนี้แปลว่ากองเหมือนกันแต่กองเนี่ไม่ใช่หนึ่งนะท่านหนึ่งก็ไม่เรียกว่ากองหรอกอะไรที่มันจะเยอะก็เรียกว่ากองเหมือนกนกองแห่งธรรมะได้แก่ส่วนแห่งคุณมีศีลเป็นต้นนะคือคุณธรรมทั้งหลายเนี่ยมีเพียรพร้อมในพระองค์ทั้งหมด และคุณเหล่านี้เป็นคุณที่วิเศษยิ่งไม่สาธารณะแก่บุคคลอื่นเนี่ยมีอยู่คือหาได้เฉพาะแก่พระตถ า, าคตเจ้าเท่านั้นคือบอกว่าความสมบูรณ์แบบทุกชนิดนะครับที่เป็นพระคุณหรือพยานทั้งหลายแหล่นะถามหาที่พระพุทธเจ้านะครับอย่าไปถามหาผิดที่เลยถ้าถามหาผิดที่มันไม่ได้หรอกเขาบอกว่าคนทั่วๆไปเนี่ยมองอย่างที่เขาเป็นก็พอแล้วนะครับ มองเขาเป็นยังไงก็มองอย่างนั้นแหละไม่ต้องไปแสรว์เข้าน่าจะมีอันนั้นเข้ามาจะมีอันนี้ทําไมไม่ไปถามที่พระพุทธเจ้าวะสิ่งที่คุณว่ามีหมดเลยหน้าที่ดีดีอ่ะมีสิ่งนี้คุณไม่บ้าเยอะติคุณที่ไม่ว่าก็มีอีกตั้งเยอะนะ เพราะฉะนั้นคนทั่วๆไปก็อย่าไปเที่ยวถามหาความดีเขาแบบพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับอย่าไปยัดเยียดคุณเหล่านั้นให้เขานะครับอันที่จริงเขามีแค่นั้นแหละเรามองอย่างที่เขาเป็นเนี่ยคือหน้าที่ของเรานะครับไม่ต้องไปอะไรกับเขามากมายหรอกมองอย่างที่เขาเป็นเราก็วางใจได้แล้วอีกอย่างหนึ่งนะครับจริงอย่างนั้นพระตถาคดเจ้านั้นอะทรงมีคือทรงได้ภาคะภาคะนี่แปลว่าส่วนทรงได้ส่วนแห่งคุณ ได้แก่ส่วนแห่งคุณอันเป็นนิรัดไสคือไม่มีส่วนแห่งคุณอื่นที่ยิ่งกว่านี้อีกแล้วนะครับไม่มีอะไรที่จะยิ่งกว่านี้อีกแล้วไม่จำกัดประเภทนะคือว่าประเภทเนี่ยอย่าไปเกี่ยงว่ามีกี่ประเภทนะมาแบ่งเป็นหนึ่งสองสามสี่เนี่ยนะมันแจกไม่หวาดไม่ไววแล้วครับธรรมานับเนี่ยนะเราไม่เกี่ยงประเภทเหมือนกันอะไม่จากัดประเภทแล้วก็ไม่มีที่สุดด้วย ไม่สาธารณะแก่บุคคลอื่นไม่ทั่วไปแก่ใครนะถามว่าที่ว่าเนี่ยคืออะไรท่านก็บอกเป็นต้นว่าท่านทํามาให้พอเป็นตัวอย่างนะครับพอหอมปากหอมคอหอมท่านนะครับแต่เราบอกโอ้โหดีจริงๆดีจริงจนลับไม่ค่อยไว้เลยนะใครกบว่าเออขอขอยือมเครื่องประดับหน่อยเขาไปเอาเพชรบอลเลอร์ไปแล้วามาให้เลย ดีจริงๆเลยนะแต่ว่ามันไม่ค่อยเหมาะกับเราใช่ไว่าแต่ว่าได้ชื่นชมก็ยังดีเหางอนกันที่ว่านี้ก็คือศีลนะศีล ส, สมาธิปัญญาวิมุตติวิมุติยานาัทสนะอันนี้ก็เป็นหัวข้อธรรมที่ใช้บ่อยมากนะครับศีล ส, สมาธิปัญญาวิมุตติวิมุติยานาัทสนะที่จริงเนี่ยเขาเรียกธรรมขันหานะ่โดยทั่วๆไปนะห้าอย่างนี้เรียกธรรมขันห้า อาก็เป็นกองไอศีลเนี่ยก็เป็นกองเรียกว่าศีลขันสมาธิขันปัญญาขันมิมุติขันมิมุติญาณทัศ น, นขันที่เราเลยเรียกว่าธรรมมาขันห้าขันแปล ว, ว่ากองกองแห่งคุณทั้งหลายเหล่านี้มีห้าคือมีหกองหวือนั้นแต่แต่ละกองก็ขยายวิจิตพิสดารไปอีกอย่างศีลเนี่ยนะครับพระไตรปิฎกทั้งหมดก็วินัยปิฎกในีศีลทั้งหมดนะครับสมาธิก็พระสุตตันตปิฎกทั้งหมดนะครับ ปัญญาก็อภิธรรมปีดกทั้งหมดนั่นแหละครับวิมุตติก็คืออาศัยศีลสมาธิปัญญารวบนะประมวลทํากิจพร้อมกันก็หลุดพ้นได้นะครับทีนี้วิมุตติญาณทัศนะก็มาไขาครวนที่ว่าไปทั้งหมดแล้วนะั่นแหละแล้วก็ฮิริกับโอตตปะนะฮิริก็คืออายต่อเขาบอกว่าบรรดาคนที่มีหิริทุที่สุดนะคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะละอายที่สุดที่จะแม้กระคิดชั่วยังไม่กล้าเลยนะั้นละอายต่อตัวเองนะหรือโอตตปะ พงเกรงกลัวต่อความชั่วที่สุด น, น, นะครับแม้แต่เล็กๆน้อยๆพระองค์ก็ดังละอายหรือเกรงกลัวหรือรังเกยียจเลยนะครับรังเกยียจความชั่วทั้งหลายแหลพระพุทธเจ้าเป็นผู้มีหิริโอตปะมากที่สุดนะครับและอย่างพระองค์ก็มีศรัทธาในบรรดาผู้ที่มีศรัทธาในกุศลธรรมทั้งหลายพระพุทธเจ้าก็มีศรัทธามากที่สุดอยู่แนละ้วพระองค์ก็ศรัทธาในพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆไงอย่างหนึ่งและอย่างหนึ่งก็ศรัทธาในคุณของพระองค์เอง หรือว่าศรัทธาในโลกุตระธรรมนะครับว่าศรัทธาเนี่ยหมายถึงแต่าคตโพที่ศรัทธาเป็นต้นนั่นนะพระองค์ก็ศรัทธาในความศรัทธาพระธรรมคตเนี่ยมากที่สุดนนะหรือพระองค์ผู้ที่บรรดาผู้มีความเพียรทั้งหลายแลยเนี่ยนะสามารถประทานสีเนี่ยมีใครเกินพระพุทธเจ้าบ้างนะเพียรกําจัดบาปเพียรเจริญบุญเนี่ยนะเพียรระวังไม่ให้บาปเกิดเพียรปกครองระวังบุญให้พบกูนมากขึ้นเนี่ยไม่มีใครเกินพระองค์แล้ว แล้วก็คนที่มีสติสติก็คือไม่ประมาทเนี่ยนะครูที่ไม่ประมาททั้งหลายแล่นี่ไม่มีใครเกินพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกนะครับแล้วพระองค์ก็ทรงมีสัมปชัญญะสัมปัญญะทั้งสัมปัญญะสีประการเลยเห็นไหมถามว่าพระสัมปัญญะของพระพุทธเจ้านี่แค่ไหนก็ดูพยานทั้งหลายแหลทั้งหมดในเรียกสัมปัญญะหมดแล้วหรือว่าคุณธรรมทั้งหลายเนี่ยนะพูดถึงความบริสุทธิ์ของศีลเนี่ยนะครับก็ไม่มีใครเกินพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ศีลและวิสุทธินะครับจิตตวิสุทธิเนี่ยนะความบริสุทธิ์ของจิตเนี่ยนะครับเรียกว่าศีลเนี่ยนะคำว่าศีลและวิสุทธิจิตตวิสุทธิแม้กระทั่งในมัคจิตผลจิตด้วยนะครับหรือเอาต่ํากว่านั้นพระองค์ก็ยิ่งกว่าใครอยู่แล้วหรือทิฏฐิวิสุทธิหรือเห็นแบบวิปัสสนาหรือว่าเห็นนิพพานเลยพระองค์ก็บริสุทธิ์ที่สุดแล้วแล้วพระองค์ก็มีสมถะและวิปัสสนาสมถะกับวิปัสสนาของพระองค์เนี่ยนะจเจริญได้หมดเลย และพองษ์ยังมีกุศลมูลอีก3กุศลมูลคืออะโลพาอะโทสะโมหะในภายในและพองค์ยังมีสุจริตามเพราะว่ากุศลมูลเนี่ยเป็นเหตุให้สุจเิตเกิดขึ้นนะคือกายะสุจริสามวจีสุจริสีมโนสุจเรศสามแรวมเบ็ดเสร็จเนี่ยนะกายวาจาเลยเรียกกายวาจาใจาเลยเรียกว่าสุจริสามเท่านั้นเองแต่ขยายไปแล้วก็เป็นสุจรศสิบนะครับแต่นี้ก็เรียกย่อๆเพราะอยู่ในธรรมะหมวดส และพระ อ, องค์ยังมีสัมมาวิตกอีกสามประการสัมมาวิตกก็คือเนคข ม, มวิตกก์อภยาปาธาวิตกกอวิหิงสาวิตกก์ไงนะนี่คือคำว่าสัมมาวิตกของพระ อ, องค์หรือว่าอาณาอาณาวัชสัญญ า, ส, ญญาสัญญาที่ไม่มีโทษนะครับใช่ไหมครับสัญญาที่ไม่มีโทษหรือสัญญาที่หาโทษไม่ได้นั่นเองก็มีอยู่ในพระ อ, องค์นะแต่ว่าธรรมะมวลนี้ก็ยังค้นอยู่นะครับว่ามีอะไรบ้างไปก็ธาตุสาม ถ้าสามพระ อ, องค์ก็มีนะครับแต่ว่าถ้าสามนี้โดยสัพนะถ้าสามนี้มีหลายในมัางหลายในมากนะครับแม้กระทั่งเนกขมธมาตุอัพยาปาฏธาตุหรืออวิหิงสาธาตุในยะนี้ก็มีหรือรูปธาตุอรูปธาตุแล้วก็นิโรธาตุอะไรเงี้ยนะแต่ก็ก็ยังผมกําลังจะดูดีกาหรืออัตถกถาเป็นต้นที่ขยายสัพเหล่านี้เนี่ยนะว่าท่านต้องการให้อัตตอย่างไรบางส่วนก็นึกออกบางส่วนก็นึกไม่ออก นี่ต่อไปนะครับพระองค์มีสติปัญสี่นะครับไม่ว่าจะเป็นสติที่เป็นไปกับกายสติที่เป็นไปกับเวทนาสติที่เป็นไปกับจิตสติที่เป็นไปกับธรรมะนะนแต่คำว่าสติปัานนี้เป็นคําที่ว่าเป็นกลุ่มคําอีกที่ต้องอธิบายใหญ่โตนะครับ แต่นี่เรารู้ว่าเออหัวข้อของความดีของพระพุทธเจ้าถ้าเราจะนึกว่าพระพุทธเจ้ามีคุณความดีอะไรบ้าง<ๆ>ก็เอาคุณเหล่านี้มาสาธยายนะครับมารายโอ้พระองค์ดีแบบนแบบี้แบบนี้แบบนี้ส่วนนี้แต่และส่วนเนี่ยดีแค่ไหนไปีกก็ไปค้นคว้าในเรื่องนั้นๆต่อไปอีกอันนี้ท่านเอาหัวข้อมาให้ดูพอเป็นตัวอย่างนะครับหรือแม้กระทั่งสัมมาประธานสี่นะครับพระองค์ก็เพียรพยายามที่สุดนะครับหรือว่าอิทธิบาทสี อิริยมักอริยมักสี่คือโสดาปฏิมักเป็นต้นหรือแม้กระทั่งอริยผลสี่โสดาปฏาิโสดาปฏิผลเป็นต้นพวกองค์ก็ทรงมีหรือว่าปฏิสัมพิทาสี่คืออาาัตถะปฏิสัมพิทาธรรมนิรุติและปฏิภาณนะปฏิสัมพิทาหรือว่ายานญยานที่กําหนดรู้กําเนิดสี่นะครับยานที่กําหนดรู้สัตว์ที่เกิดในคันสัตว์ที่เกิดในไข่เกิดในเท่าคลายหรือว่าสัตว์ที่เป็น โอปปาติกาเนี่ยนะครับยานที่กำหนดรู้กําเนิดเหล่านั้นพระ อ, องค์ก็รู้ได้ชัดเจนหมดเลยพระ อ, องค์นี่มีอริยวงอีก4ประการนะครับอริยวงหรือวงของพระ อ, อริยะทั้งหลายคือสันโดษในจีวอนะสันโดษ12ในจีวอนะครับแล้วก็ไม่ยกตนข่มผู้อื่นเพราะเหตุแห่งความสันโดษอันนั้นเองนะครับและพระ อ, อริยะทั้งหลายนั้นสันโดษในอาหารบิณฑบาตแล้วก็ไม่ยกตนข่มผู้อื่นในเพราะเหตุอาหารบิณฑบาต ท่านสันโดษในที่อยู่อาศัยท่านก็ไม่ยกตนข่มคนอื่นในที่อยู่อาศัยเนี่ยสข้อแล้วนะครับแล้วท่านยินดีในการเจริญภาวนายินดีในการละบาปนี้รวมนับหนึ่งะครับยินดีในการเจริญยินดีในการละอันนี้ก็เป็นวงของพระอริยอวพะประเพณีของพระอริยเนี่ยท่านเป็นอย่างนี้กันทั้งหมดนะครับผู้ที่จะเป็นพระอริยนะต้องสันโดษในปัจจัย4แล้วก็ยินดีในการเจริญกุศลยินดีในการละบาป ทีนี้ถามว่าสันโดษนี่คืออะไรก็คือเท่ากับจตุ ป, ปาริสุทิศินดีๆนี้เองยินดีในการเจริญบุญก็คือเท่ากับยินดีในการเจริญส ม, มถวิปัสนาหรืออริยมรรยินดีในการละบาปธรรมทั้งหลายก็เท่ากับยินดีละสมุทยสัต์นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นถ้าพระอริยะทั้งหลายก็เป็นไปกับอริยสัตว์นั่นเองอริยะวงก็คือวงของพระอริยเจ้าผู้แทงตลอดอริยสัสนี่ท่านมีพฤติกรรมในลักษณะนี้ กำลังจะถามถึงว่าคําว่าอาริยวง์นี่คงจะหมายถึงว่าพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆนี่ก็ดารงอยู่ในวงประเภทนี้นะครคืออริยวง์เนี่ยหมายถึงธรรมะสี่ประการนะครับหนึ่งสันโดษในจีวอนแล้วก็ไม่ยกตนข่มจีวอนเพราะคนอื่นเป็นเหตุ<อ>เป็นต้นนะครับสันโดษในปัจจัยคือจีวอนเนี่ยหนึ่งข้อสันโดษในอาหารบิณฑบาตสันโดษในที่อยู่อาศัยแล้วก็สารเสริญในความสันโดษเหล่านั้นเป็นต้นแล้วก็ไม่ยกตนข่มผู้อื่นในพราะความสันโดษเหล่านั้น นะแล้วก็ยินดีในการเจริญภาวนาลักษณะวงของพารยะทั้งหมดจะต้องเป็นแบบนี้ทั้งหมดนะครับไม่ใช่พุทธวงนะนะนะนะอีกในหนึ่งแล้วก็พระองค์ทรงมีเวสารัชยานสเวสารัชยานก็คือยานที่ทําให้พระองค์แก้วกล้านะครับมีอีกสี่ อ, อย่างหนึ่งนะครับบางที่บอกว่าสัมมาสัมพุทธปฏิญญาถ้ามีใครมาบอกว่าท่านนี่นะบอกว่าตัวเองเป็นพระพุทธเจ้ามีนะสิ่งที่ท่านไม่รู้เนี่ยนะ พระองค์นี่หาไม่ได้นะใครจะมาตําหนิพระองค์แบบนั้นพระองค์นี่ยังไม่รู้สิ่งนั้นสิ่งนั้นสิ่งนั้นไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นไม่มีใครหมิ่นพระพุทธเจ้าว่าสิ่งนั้นสิ่งนั้นเป็นต้นพระองค์ไม่รู้นะอันนี้เรียกว่าสัมมาสัมพุทธปฏิญญาอย่างหนึ่งอย่างที่สองก็คือขีนาสวัปฏิญญาว่าท่านนี่นะบอกว่าท่านเป็นพระพุทธเจ้าเออท่านเป็นพระอรหันต์นะหมดกิเลสแลยท่านยังเหลือกิเลสอันนั้นอันนั้นนั้นอยู่นะแต่อันนี้ไม่มีใครไปไปตําหนพรระองงคค์ไได้้่ันมมีใ ก็อาจโจดท่วงพระองค์โดยธรรมนะโดยธรรมเว้นไว้แต่คนหาเรื่องนะแต่ว่าโดยธรรมเนี่ยไม่มีนะครับหรือแม้กระทั่งอันตรายกธรรมวาทะหมายคือว่าพราะองค์ตรัสว่าธรรมะใดที่ผู้เข้าไปซ่องเสพเนี่ยนะว่ามันมีโทษอ่ะมันมีโทษอย่างนั้นอย่างๆนะเช่นคนที่ฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพระอรหันต์เป็นตเนี่ยนะอันนี้เป็นอันตรายิกธรรมนะคือกรรมอันตรายกธรรมคือกิเลสอันตรายกธรรมคือ วบากอันตรา ย, ยกระทำคือการล่วงละเมิดพระวินัยบรรยัญญัตินะนะผสิ่งเหล่านี้ก็เป็นอันตรา ย, ยกระทหรือว่าอริย ป, ประวาตนะครับการว่าร้ายพระอริยเจ้าอันพระองค์ตรัสว่าธรรมะเหล่านี้เป็นอันตรา ย, ยกระทเป็นอันตรา ย, ยิกระทยจริงๆไม่มีใครคัดค้านพระองค์ได้โดยสหธรรมโดยชอบธรรมและข้อสุดท้ายนะั้นนิยานิกธรรมนะครับบอกว่าพระองค์ตรัสว่าโพธิปัจจะธรรมนะมีสติประญานเป็นต้นเนี่ยเป็นข้อปฏิบัติเพื่อพ้นจากทุกข แต่ว่าปฏิบัติแล้วไม่พ้นจากทุกจริงอันนี้ก็ไม่มีใครกล้าไปคัดค้านอ น, นั้นอีกว่าผู้ใดปฏิบตัติตามโพธิปัจจะธรรมก็ชื่อว่าเป็นนิยานิกระทำเป็นไปเพื่อความพ้นทุกจริงๆเมื่อเป็นลักษณะนี้พระองค์ก็เลยทําให้พระองค์แกล้าว่างันแต่ไม่เคิรินไม่เก้อเคินอะไรสากอย่า ง, าาารราางแล้วต่อไปนะพระองค์ก็ยังมีองค์ของพิสูพุบาเพ็ญเพียนอีกค่ะองค์ผู้บําเพ็ญเพีย น, น, นะ น, น, นคือพระองค์มีศรัทธานะมีศรัทธาหนึ่ง มีศรัทธามีวิริยะแล้วก็เป็นคนไม่อ้วกไม่มีมายาเปิดเผยตนตามความเป็นจริงแล้วก็เป็นคนที่มีปัญญามองเห็นเหตุเกิดและความดับเป็นต้นเป็นคนมีสุขภาพดีนะครับอันนี้ก็คือองค์ของผู้บําเพ็ญเพียรมีอยู่5อย่างแล้วก็พระองค์ก็ยังมีสัมมาสมาธิมีองค์5้าอีกนะครับสัมมาสมาธิมีองค์5นี้ก็มีรายละเอียดที่ลึกซึ้งนะครับ มันก็ดูได้ในอังคิกะสูตรในเล่ม36ข้อ28นะครับไปดูตามนั้นเอาหรือว่าสัมมาสมาธิมียาน5นะสัมมาสมาธิที่มียาน5ก็อยู่ในสมาธิสูตรอีกเหมือนกันนะครับแต่ว่าข้อ27ในปัญจกานิบาตนะครับในปัญจกานิบาตก็ดูได้และพระองค์ยังมีอินทรีย์อีก5คือสัทธาวิริยะสติสมาธิและปัญญานะครับแต่และอย่างก็เป็นอินทรีย์เพราะอธาว่าเป็นใหญ่ และพระ อ, องค์ก็ยังมีพะละอีกห้าคือสัทธาวิรยิยสติสมาธิและปัญญาพะละนะครับเพราะอัตถะว่าไม่วันไวต่อปฏิปปคธรรมทั้งหลายและพระ อ, องค์ก็ยังมีนิสสารณียธาติธาติที่เป็นเครื่องสลัดออกอีกหาประการธนะาติที่พระ อ, องค์สลัดออกคือพระ อ, องค์มีเนคขมมะที่สลัดออกจากกามอย่างนี้นพระ อ, องค์ไม่มีไม่ผูกพันในกามเพราะพระ อ, องค์สลัดออกด้วยเนคขมมะ พระพุทธเจ้าจะไม่โกรธพระพุทองค์เนี่ยสลัดออกด้วยอัพยาปาทะคือความไม่โกรธพระองค์นี้ไม่คิดเบียดเบียนใครเพราะพระองค์มีธาตุแห่งอวิหิงสาธาตุคือความกรุณาจะไม่เบียดเบียนใครแล้วพระองค์นี้ก็มีอรูปประชานก็สลัดออกจากรูปทั้งหมดพระองค์นี้บรรลุอริยสัจธรรมบรรลุพระนิพพานเนี่ยนะด้วยอรหัตตมรรคอรหัตตผลเป็นต้นเนี่ยพระองค์จึงไม่ยึด ต, ติดในส ก, กายะธรรมทั้งหมดนะครับ ไม่ยึดติดในขันห้าแม้แต่ขันใดขันเดียวก็ไม่ยึดสักอย่างเลยนะครับเพราะฉะนั้นนี้คือธาตุที่พระองค์สลัดออกได้หมดแล้วนะครับพระองค์เลยมีนิสารณียธาตุหอย่างและพระองค์ก็ยังมีวิมุตตายตนะทั้ง5้าอย่างด้วยนะครับวิมุตตายตนะหมายว่าความหมายแรกก็คือฟังธรรมนะฟังธรรมพระองค์ก็ฟังธรรมนะครับพระพุทธเจ้าก็ไม่ใช่ไม่ฟังพระภิกษุเทศพระองค์ก็ฟังอยู่นะบางครั้งเนี่ยนะ ภาพพิสูรูปหนึ่งแสดงธรรมอยู่นะพระองค์ไปได้ยินเนี่ยพระองค์ก็ยืนฟังอยู่ตัวนั้นนะถ้าแสดงทั้งคืนพระองค์ก็จะฟังทั้งคืนนะั่นแหละบอกว่าพราะองค์ฟังทั้งยืนฟังทั้งคืนเลยนะครับพระองค์ก็ฟังเหมือนกันนะวิมุตติจิตนาข้อแรกคือการฟังธรรมอ่าข้อที่2ก็คือการแสดงธรรมนะในบรรดาผู้แสดงธรรมก็จะมีใครยิ่งกว่าพราะสัมมาสัมพุทธเจ้านหะรือไม่พระองค์ก็เป็นผู้แสดงธรรมข้อสก็คือพระองค์นี้เป็นผู้ที่สาธยายธรรมนะครับ สือพระองค์นี่ก็สา ม, มารถสาธยายธรรมารรมะสาธยายธรรมนี่มีในสูตรไหนผมอ่านในสั่งยุตานิกายนะครับอยู่ๆแล้วพระองค์ก็เปล่งขึ้นมางั้นแหละอาศัยจากขูก่กับรูปเกิดจากขู่วิญญาณความประชุมของธรรมะสามอย่างเป็นภาษาเนี่ยพระองค์ก็เปล่งอยู่อย่างเงี้ยเสร็จแล้วภิกษุรูปหนึ่งมาได้ยินเข้าออพระองค์ก็บอกภิกษุเธอได้ยินใช่ไหมได้ยินพระเจ้าค่ะเออเธอไปจําไว้นะสาธยายไปปฏิบัติตามนี้นะนี่เป็นเบื้องต้นแห่งพรหมจรรย์นะ แสดงว่าพระ อ, องค์ก็สาธยายเหมือนกันนะครับทีนี้สาธยายแล้วข้อต่อไปก็คือการตามเพ่งด้วยใจนะครับพระ อ, องค์นี้ก็พิจารณายกตัวอย่างเช่นพระ อ, องค์เอาเรื่องเวทนาเป็นต้นนมาตรึกอย่างมหาศาลนะครับเป็นนักพิจารณาทมนักวิจัยทำเลยนะครับเรียกว่าตามเพ่งด้วยใจนะแล้วก็ข้อสุดท้ายก็การเจริญสมถะอย่างใดอย่างหนึ่งทั้งหมดนี้ก็เรียกว่าวิมุตตายตนะแปลว่าเป็นบ่อเกิดแห่ง วิมุตต์นะครับเหตุแห่งความหลุดพ้นไอ้คำว่าวิมุตต์ตรงนั้นเนี่ยหมายถึงอรหัตผลเลยนะครับไม่ว่าการฟังธรรมก็เป็นเหตุแห่งอรหัตผลผู้ที่ฟังธรรมแล้วเป็นพระุอรหันต์นี้เยอะแยะไปใช่ไหมครับอ่านในพระไตรปิฎกเนี่ยนะกลุ่มภาษาริบดุลเป็นต้นผู้ที่แสดงธรรมแล้วบรรลุเป็นพระุอรหันต์ก็มีนะครับทั้งในในขันธวรวรคนะครับสังยุตตินิกยก็มี หรือว่าผู้ที่สาธยายทำแล้วบรรลุก็มีนะครับในวรณปัตหสังยุตในสังยุตตานิกกยเหมือนกันภิกษุรูปหนึ่งที่เป็นนักสาธยายจนได้บรรลุเลยนะครับก็มีผู้ที่ตามตรึกด้วยใจก็คือผู้ที่พิจารณาพระธรรมนะครับแล้วบรรลุก็มีแล้วก็ผู้ที่เจริญส ม, มถะแล้วก็อาศัยการเจริญส ม, มถะแล้วบรรลุธรรมก็มีนะครับทางนี้เขาเรียกว่าวิมุตตายตนาเหตุแห่งวิมุตถาแล้วก็วิมุตติ ปริปานิยปัญญาคือปัญญาเป็นเครื่องบ่มมิมุติอีกห้าอย่างนะครับแล้วก็อนุสติฐานหกคือที่ตั้งแห่งอนุสติหประการคือพุทธานุสติเป็นต้นพระพุทธเจ้าก็เจริญพุทธานุสติเป็นต้นนะครับผมก็เจริญไม่ใช่ไม่เจริญตามระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆนะพระองค์มีคุณทำเราได้เราได้เนี่ยผมก็ตามระลึกนะครับ หรือว่าพระองค์ก็ระลึกถึงพระโลกุตระธรรมทั้งหลายพระธรรมทั้งหลายพระองค์ก็ระลึกนะครับระลึกถึงคุณความดีของพระสงฆ์นี่พระองค์ก็ระลึกถามว่ารู้ได้ว่ายังไงว่าพระองค์ระลึกพระองค์ตรัสว่าภิกษุผู้เจริญสัมมาปทานสี่ก็มีในบริษัทนี้ภิกษุผู้เจริญอิทธิบาทสีก็มีในบริษัทนี้ภิกษุที่เจริญโพชฌงเจ็ดก็มีในบริษัทนี้ภิกษุที่เจริญอัปปมัญญาก็มีในบริษัทนี้นะพระองค์นั่งสาธยายให้หมดแล้วก็มีภิกษุที่เจริญอานาปานสติก็มีีอยู่ในนนบริษัท้ะ เละพงค์ก็แสดงไปแสดงว่าพระองค์ก็เอาอคุณของพระสงฆ์เหล่านั้นคุณของสาวกเหล่านั้นนั้นมาพิจารณาด้วยนะครับหรือเห็นพระมหาโมกัลาน้าพระมหาคสปะท่านนั่งกำมนั่งอยู่นี่นะครับพระองค์ก็พิจารณาเออท่านเจริญคุณธรรมเราใด้อยู่พระองค์ก็เอามาแสดงนะครับเหมือนในคำภีอุทานทั้งหลายแหล ะ, ะ <c oughs> เพราะฉะนั้นพระองค์ก็ยังมีอนุสตินะครับหรือระลึกถึงคุณของเทวดาเทวดาแต่ละสวรรค์แต่ละชั้นมีคุณธรรมเหล่าใดพระองษ์ก็เจริญ หรือจากานุสติพระองค์ก็ระลึกนะว่าขี้พระองค์เคยให้นี่อะไรมั่งที่พระองค์ไม่เคยให้พระองค์ก็ตามระลึกนะครับศีลานุสติว่าพระพุทธเจ้ามีศีลเช่นนั้นเช่นนี้เช่น น, ชนนี้พระองค์ก็ระลึกนะครับฟันพระองค์ก็ตั้งมั่นอยู่ในอนุสติหกเหมือนกันและพระองค์ก็ยังมีความความคารพปกขรวะหกประการขรวะหกนี้ยังนึกไหมเอาไงนิสารณียธาตุอีกหกนะครับ ธาตุเป็นเครื่องสลัดออกอ6อันนี้ก็ดูได้ในอังคุตรานิกายเหมือนกันนะครับหมวด6แล้วก็สัตวิหารธรรม6กนะครับทำมันเป็นที่สงบหกดางนะครับแล้วก็อนุตริยะ6นะครับทัศนานุตริยาสาวนานุตริยะนะครับการเห็นที่ดียิ่งนะครับการฟังที่ดียิ่งการระลึกถึงอันยอดเยี่ยมแล้วก็าาาการได้อันยอดเยี่ยมนะครับลาภานุตริยะแล้วก็การรับใช้ปาริจาริยาอนุตริยะ การตามาการปรนิบัติที่ยอดเยี่ยมนะครับนะการนะเห็นการฟังการได้เห็นก็ทัศนา ar, ฟังก็สัมมาดาได้ก็ลาภาแล้วก็สึกขานุตรยะนะครับการศึกษาที่ยอดเยี่ยมปาริจารยานุตริยะการระลึกที่ยอดเยี่ยมแล้วก็อนุสตานุตรยะการตามระลึกที่ยอดเยี่ยมนะครับอันสิ่งที่ตามระลึกเหล่านี้พระองค์ก็มีในตัวพระองค์ น, นะครับ แล้วพงค์ยังมีนิเพทะภากิยสัญญานะครับสัญญาที่เป็นไปในการฝ่ายชำแรกกิเลสอีก6ประการนะสัญญาเหล่านี้พงค์ก็มีเช่นอนิจจาสัญญาเป็นต้นนะครับหรือพงค์ก็ยังมีอาพินยาอีก6ประการนะครับอีที่วิธีเป็นต้นนะครับรการแสดงฤทธิ์ได้และอาสาธรณญายาน6